สาเหตุที่มาต้องมาใช้ดึงกําลังกายเข้ามาร่วมกรรมฐานก็เพราะว่า <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยที่เราปฏิบัติกรรมฐานที่ยังไม่เข้มแข็งหรือยังไม่แจ้งชัดเนี่ยเก็เจ็บป่วยมากมายเป็นโรคนั้นโรคนี้กินยาหาหมอทำอะไรก็ไม่สะดวกโรคกระเพาะโรคหัวใจโรคไ่เกรนโรค <c oughs> ปลายประชะสาสเสื่อมมันก็ทำให้เราไปเสพโรคภูมิแพ้ที่รุนแรงแต่ว่าเอ้กรรมฐานก็บนึกกรรมฐานองพุทธเจ้าเนี่ยก็น่าจะรักษาโลกไม่งั้นถ้าจะตรัสเรื่องอพุทธโอสถธรรมโอสถสั ง, งโฆสถดว่าทำไมก็แสดงว่ามีความหมายเพราะสิ่งใดที่พุทธญาตตรัสแล้วสิ่งนั้นต้องเป็นจริง เราก็เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2538เป็นต้นมามาเริ่มแสวงหาแพทย์ทางเลือกนะก่อนหน้านั้นเราก็ใช้แพทย์ทางโลกมารักษาแต่มันไม่จบยิ่งรักษาก็ยิ่งเป็นโรคได้โรคใหม่ไปเรื่อยๆนะเราก็มาใช้แพทย์ทางเลือก <c oughs> จากหลายๆตระกูลเนี่ยก็ศึกษามา ก็ปรากฏว่าร่างกายมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเรารู้อาการเองเห็นอาการเองแต่แพทย์ทั้งเลือกจะได้ผลต่อเมื่อเรามีวิปัสนาเท่านั้นเพราะคนวิปัสนาที่ถูกต้องเนี่ยคนนั้นจะเห็นความสําคัญของร่างกายและดูแลเอาใจใส่ร่างกายเป็นอย่างดีดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่ว่าไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้ไข้ไม่ให้ตายนะแต่ดูแลเพื่อที่จะให้เจ็บป่วยไขย้และตาย สบายไปสะดวกแล้วก็ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็สามารถที่บริหารจัดการให้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอุปสตรรคต่อชีวิตนั้นเองเ mm. มื่อก่อนเราเคยป่วยที่3มวัน5้าวัน7วันเดี๋ยวนี้พอเจ็บป่วยไม่ถึงวันมันหายแล้วเพราะอะไรเพราะเราสร้างภูมิด้านทานของร่างกายให้ดีโรคภูมิแพ้มาเคยเป็นอย่างรุนแรงซึ่งเป็นโรคที่มีเซนซิทีฟต่อความรู้สึกอย่างมาก นะแต่ว่าด้วยการบริหารจัดการด้วยแพทย์ทางเลือกมันมีหลายทางที่เราจัดการเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยมสมัยปัจจุบันเนี่ยที่เราอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะเลือกได้ทั้งอากาศอาหารอารมณ์อยู่ในสภาพที่บังคับเนี่ยมันก็จะต้องยิ่งขวน ข, ข, ข, ข, ขวายนะในการดูแล <c oughs> ตัวเองเพราะนั้นเองมาไปอยู่ที่ไหนถ้าไมไ่ไม่ได้ไปอยู่ในที่อากาศโปร่ปงสบา ย, ายแล้วมันจะอยู่ไม่ค่อยติดนะ เราไปหาทางที่อยู่บนเขาที่โปร่งๆอากาศที่ดีๆเพราะอากาศนี่เรากินตลอด24ชั่วโมงอาหารกินเวลาสองสามครั้งได้อากาศตลอด24ชั่วโมงดังนั้นประเทศไทยเราเห็นคุณค่าคุณภาพอากาศต่ำเฉพาะเอเชียงั้ A C L, นแหละเอเชียเหนือออกถึงใต้ถ้าอากาศทางอเมริกาทั้งยุโรปเขาเห็นคุณค่าของอากาศเป็นอันดับหนึ่งทีเดียวนะคนเข้าถึงเขรื่แข็งฉลาด นั่นเองก็อยากจะให้หนักปฏิบัติของเราเนี่ยได้พัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของอร่างกายแล้วก็การที่เรามาเห็นความสำคัญไม่ใช่ว่าเราจะไปบําบรุงบาเลอหลงไหลสำคัญมั่นหมายในกายของเราเองไม่ใช่แต่เราเห็นว่ากายใจนี่เป็นเครื่องมือเป็นมรที่จะเดินทางไปสู่มรผลิพานถ้าลด ไม่ดีคนขับไม่ดีถนนไม่ดีเนี่ยมันไปสู่เป้าหมายไม่ได้คนขับคือจิตใจรถคือร่างกายถนนคือวิธีปฏิบัติถ้าสมอย่างนี้องค์ประกอบทั้งสามอย่างนี้ดีหมายความว่าเราต้องไปสู่เป้าหมายแน่นอนวิธีการปฏิบัติ อุ้งพ่อว่าเลาอุ้งพ่อพูดแต่คนจะง่วงไม่ได้นะนั่นจะมีง่วงอยู่นะหายใจลึกๆ ล, ล, ลืมตากว้างๆไอ้หนูเออมองหน้าอุ้งพ่อใสๆ <c oughs> ง่วงไหมเมืม่อคืนนอนไม่หลับใช่ไหมหลับไหมเมืม่อคืนเออหลับทาไมมานั่งหลับตรงนี้อีกลืมตากว้างๆนะอันนั้นจะเห็นว่าถ้าถานนดีรถดีคนขับเก่งร้อยทั้งร้อยต้องถึงเป้าหมายแ น, น่นอนใช่ไหม ถ้าร่างกายดีสีใจดีวิธีปฏิบัติถูกต้องมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเราไปถึงแน่นอนมั่นใจเลยนะแต่ร่างกายไม่ไม่ดีคนขับก็ไม่เป็นถนนก็ไม่ดีไม่แน่ไปถึงเป้าหมายในหักในกรณีที่เป้าหมายนั้นไกลเกินนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงเมื่อไหร่แต่ความจริงมันก็ ทางเดินภายนอกเนี่ยมันยาวแต่ทางเดินภายในเนี่ยมันลึกแล้วเดินที่ไม่ต้องเดินด้วยอันนี้คือมันยากเพราะนั้นเองก็วิปัสสนาจะทำให้เรารู้ว่าจะเลือกซ่อมรถให้ดีได้อย่างไรจะฝึกคนขับให้เป็นคนขับที่ขับรถดีได้อย่างไรและจะเลือกเส้นทางไหนถูกต้องและตรงพิปัสสนาจะช่วยเราได้ถ้าเราไม่มีวิปัสสนาเลยก่อนเนี่ย เราก็ไม่รู้วิธีดูแลเอาใจใส่รถคือกายของเราไม่รู้วิธีที่จะฝึกคนขับคือจิตของเราและไม่รู้เส้นทางเลือกจะเส้นไหนเป็นข้างโค้งทางตรงทางอันตรายทางลำบากเลือกไม่เป็นนะแต่พอเราได้วิปัสสนาแล้วนี่เราจะรู้สมงรถคันนี้อย่างไรส่งกายอย่างนี้อย่างไรถึงจะ เข้มแข็งนิเสมอแม้ร่างกายนี้มันจะได้กรรมพันธุ์มาไม่ดีสิ่งแวดล้อมมาไม่ดี <c oughs> มาก่อนแต่เราสามารถปรับได้ด้วยอํานาจของวิปัสสนาด้วยอาศัยพุทธโอสุธรรมโอสุและสังฆโอสุนะพุทธโอสุคืออะไรพุทธโอสุคือตัวตื่นรู้และเบิกบานอยู่เสมอธ ร, รมโอสุคืออะไรธ ร, รมโอสุคือให้ยอมรับความเป็นจริงของทุกอย่างตามที่มันเป็น อย่าไปฝืนมันในส่วนไหนที่มันไม่จริงก็ต้องแก้ไขปรับออกไปเรีนะยกธรรมโอสถสังฆโอสถคือรู้จักปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับโลกเขาอย่าอย่าไปติดสมมติมากเกินไปใช้ปริมัติให้เป็นเหมาะสมกับสถา น, านการณนะ์ก็คือมีสังฆานั่นเองมีสังฆา สังคากายกับใจเขาด้วยกันสังคะเรากับเพื่อนเขาด้วยกันสังคะ้าสี่ภายนอกกับภายในเขาด้วยกันนี่แหละคือพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสดุดแล้วถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วนี่การเดินทางเราก็สนุกปลอดภัยไรกังวล น, นะแล้วก็ไปถึงเป้าหมายด้วยความปลอดภัยเมื่อรถเราไปถึงเป้าหมายสูมกเดินทางหน0 0งกิโล รถดีถนนถดีคนขับเก่งเนี่ยรถเป็นไงสซมไหมคนขับเหนื่อยไหมโซมไหมไม่สม้มแล้วกลับไปกลับมารับผู้โดยสารอีกเป็นกี่ร้อยเที่ยวก็ได้ใช่ไหมคื อ, อถ้าร่างกายเราดีจิตใจเราดีช่วยเพิ่มมุน่นรช่วยเหลือเพิ่มมุ่ยรอีกเพิ่ลืกี่หมื่นกี่แสนท่าร่างกายเราดีจิตใจเราดีและ ว, วิธีการเราชัดเจนทุกคนต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายเหมือนกันทุกคนแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนใครจะพาเข้าไป แล้วเขาจะเดินทางอย่างไรเนี่ยเขาไม่รู้ทุกคนต้องการความสบายต้องการความสงบต้องการความสุขต้องการสิ่งที่ดีที่สุดแต่เขาไม่รู้ว่าของเป้าหมายที่แท้จริงที่เขาต้องการคืออะไร <c oughs> บางคนต้องการเป็นเศรษฐีนะเป้าหมายของชีวิต <c oughs> มีเงินมากที่สุดแต่มันก็มีตัวอย่างให้เห็นว่าคนที่เป็นเศรษฐีทั้งหลายก็ไม่เคยมีความสุขสบายเขาก็น่าจะเกิดปัญญา ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงก็อาจจะเลือกเป้าหมายใหม่ได้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มันเลือกเป้าหมายว่าบุคคลใดที่มีความสุขที่สุดนะคนที่มีความสุขที่สุดก็จะรู้ว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องทำก่อนเนี่ยคืออะไรนะที่จะต้องทำก่อนเนี่ยคืออะไร ที่ว่านิทานเรื่องปัจจุบันสำคัญที่สุดหลายคนเคยได้อ่านแล้วใช่ั้ยหมอจําได้ไหมหมอเล่าหลายครั้งนะเวลาปัจจุบันสำคัญที่สุดคุณอาจารนาอาจารไม่ได้เล้วแต่เคยฟังหลวงพ่อเล่าแล้วใช่ั้ยนั่นเห็นไม้มต้องไปบริหารความจำให้ดีขึนะ้นแล้ว <laughs> มีละค <laughs> ใครจะจําได้บ้างคุณเจรันก็เคยฟังเนาะปัจจุบันสาคัญที่สุด ไม่เคยเคยแต่ลืมไปแล้วด้วยเออเวลาปิจจุบันสั่งัาที่สุดแล้วก็เขาพระราชาที่ปกของแคว้นเนี่ยแห่งหนึ่งนะที่เขาไป ที่เข้าไปรบนะแล้ววันหนึ่ง เ, เกิดฝันว่า <c oughs> มีเทวดามาตั้งปัญหาถามถ้าหากตอบปัญหาสามข้อนี้ได้เนี่ย เ, เขาจะบันดาลให้ รัฐประเทศของพระราชานี้จะโลนเรื่องเรื่องที่สุดและสามารถเป็นจกักรพรรดิได้ด้วยแต่ถ้าตอบปัญหาสามข้อนี้ไม่ได้รัฐและประเทศของพระราชาเนี้ยอาจจะถึงกับล่มสลายได้เพราะฉะนั้นไปหาคำตอบปัญหาสามข้อนี้มาให้ได้ข้อที่หนึ่งว่าไงทำท่าจะได้ใช่ไหมนึกออกเรียงข้อหนึ่ง กิจอะไรควรทำก่อนนะข้อที่สองเวลาใดเป็นเวลาสำคัญที่สุดข้อที่สามบุคคลใดเป็นบุคคลสำคัญที่สุดสำหรับเราพระชาตรชาก็โหามในสภามุกมารรัฐมนตรีทั้งหลายนะแต่ละคนก็ตอบกันอุจจรุไปหมด แต่ไม่แต่ละคนว่าคำตอบไม่ตรงกันเลยแล้วทำยังไงที่จะหาคำตอบที่ตรงกันได้ <c oughs> ถึงก็ะดีครองร้องเปล่าหาผู้ที่จะตอบปัญหานี้ได้ก็ไม่มีแต่ปรากฏว่ามี อ, อ, อามาทผู้หนึ่งอามาทผู้นี้คงจะมีอะไรดีนะเข้าไปตอบบอกว่าผู้ที่จะตอบปัญหาสามข้อนี้ได้ มีอยู่แต่ตอนนี้ตอนนี้ท่านอยู่บนภูเขาแต่มีข้อแม้ว่าท่านไม่ต้อนรับคนที่เป็นสูงสัตว์ราชาและอาหมาัดท่านต้อนรับคนจนๆท่านจะไปพบเขาอย่างไรแต่ได้พบท่านนี้ได้คําตอบแน่นอนแล้นแล้วเขาอยู่ที่ไหนอยู่บนภูเขาพาเราไปได้ไหมพาไปได้ก็แสดงว่าลูกศี์ของท่านนั่นเองนะรับรับนะก็าพาไป <c oughs> แต่มีข้อแม้ว่าคนที่จะขึ้นไปพบท่านนั้นต้องไปคนเดียวไปหลายคนไม่ได้อืมปรากฏว่าพระราชาก็ <c oughs> ก็ไปกับเสนาอามาที่คนใกล้สนิทพากันไป <c oughs> มาไปถึงเชิงเขาลูกนั้น <c oughs> ก็ให้พวกทหารควกสนิททั้งหลายก็อยู่เชิงเขาข้างล่างแล้วท่านเดินทางขึ้นไปคนเดียวคือแต่งตัวเป็นชาวบ้าน นะแต่งตัวเก่าขึ้นไปไปถึงยอดหูบเขา <c oughs> เห็นพระหลวงตาลูกหนึ่งกำลังขุดขุดดินปูขักตับตับตับอยู่ <c oughs> <c oughs> บอกเมื่อปกมือท่านหยุดก่อน <c oughs> ผมจะมาถามปัญหาท่านก็ไม่สนใจ <c oughs> ขุดต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะมง ง, งขุดต่อไปเรื่อยไม่สนใจอะเอา ง, งั้นท่าน ขุดมานาน้วเหนื่อยผมขอขุดแทนได้ไหมครับอะยินเจาะให้ราชานี้ขุดต่อไปราชาก็เหนื่อยเป็นด้วยกันอายิเอางั้นเอาเจาะมานี้ฉันขุดขุดไปจนกระทั่งตกเย็นปรากฏว่ามีทันใดนะั้นมีชายคนหนึ่งโผล่มาจังในป่ามือกลุ่มท้องเลือดไหลโชกโดยสัญชาตญาณของผู้นำใช่ไหมก็ ไปเข้าไปปกครองโดยที่ท่านไม่ได้สั่งเลยนะเข้าไปปกครองเข้าไปประครบขนุนพยาบาลเอาผ้าขมาที่ออกมาพันแล้วก็เรียกทหารที่ของท่านนะตามขึ้นไปใกล้เอาเอาข้านี่ไปไปเอาน้ําลงมาข้างล่างข้างล่างที่ <c oughs> ของขรษีของขรุีเนะี่ย ก็มาล้างทําบาดแผลทําอะไรปรากฏ ว, ว่าคืนนั้นถ้าคืนจนดึกคนป่วยที่ถูกแผลได้รับแผลมันก็สรุปหลับไปท่านก็ขุดดินมาทั้งวันไปไ็นเมื่อแล้วก็ห ล, ล, ลับไปเขาลุ้สีก็ก็หลับไปเหมือนกันตื่นเช้าขึ้นมาพระราชาก็เห็นชายคนนั้นก็ฟื้นละที่ถูกแทงมา ก็ถามกันท่านมาจากไหนเป็นใครมาจากไหนอ๋อผมเป็นน้องชายของพระราชาอีกแล้หนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วที่ท่านยกทัพไปตีเมืองนี้แล้วท่านได้ฆ่าพี่ชายผมตายและทักจันมาผมก็ตามท่านตลอดและวันนี้ผมก็รู้ว่าท่านจะมาที่นี่ผมก็ตามมาดักอยู่ทางขึ้นนั่นเองแล้วท่านขึ้นมาคนเดียวผมก็ได้โอกาส แต่ว่าขึ้นมาปรากวดมาเจอจะคุณทหารทักษาอย่างของท่านได้สู้กันสู้กันไปสู้กันผมพลาดถูกแทงตรงนี้แล้วผมก็วิ่งแต่เดิ๋เปิด ป, นปนนืนขึ้นมาตรงนี้อ๋ออั้นก็ศัตรูกันเด้ใช่ผมเป็นศัตรูของท่านโอ้พระราชาเขาก็ยอมนะยอมเอาทา่านจะฆ่าผมตายนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าด้วยที่เรามาเจอกันลักษณะอย่างนี้ ผมให้ไปให้ท่านพระราชาก็ได้เรียกเผาทหารขึ้นมาเอาไปลงพิบาลไปรักษาอย่างดีเลยจนหายกลายเป็นผูกมิตรกันอันนี้อันนี้ต่อมานะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ให้ฐานเอาไปกลับมาหาพระฤาษีเอา้าผมยังไม่ได้ท่านยังไม่ตอบปัญหาผมเลยสามข้อนะเออถามว่ยงไงนะลืมไปแล้ว อก็ตอบไปแล้วนี่าถามข้อตอบไปอตอบตอนไหนไอาถามข้อที่หนึ่งถามว่อไงอาถามว่าบุคคลใดเป็นบุคคลสาคัญที่สุดสาหรับเราก็คือบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าใช่ไหมอา่าเราท่านมาในที่อยู่เฉพาะหน้าเราเอา่า แล้วก็ท่นเห็นบุคคลนั้นทหารโผล่มาเป็นบุคคลสําคัญที่สุดเฉพาะหน้าท่านใช่ไหมท่านก็ไปช่วยทันที <c oughs> สองกิจอะไรคนทําก่อนช่วยเหลือคนอื่นที่มีความเจ็บป่วยและลําบากและเป็นทุกข์ช่วยเหลือเขาก่อนสเวลาใดสําคัญที่สุดเวลาที่คนเขาขอร้องและต้องการและจําเป็นเห็นคนอื่นก่อมรักคนอื่นเราไปทําให้ตรง ทันกันบเวลาปัญหาเรานี่ถูกตอบหมดแล้วเนยตอบหเพาท่านได้ทําไปแล้วนี่อา่าท่านทำท่านมาที่นี่เห็นข้าพเจ้าคุณ ด, ดินใช่ไหมแล้วท่านเข้ามาช่วยเป็นเวลาสําคัญที่สุดแล้วเราก็อยู่เฉพาะหน้าท่านแล้วบุคคลนั้นเจ็บป่วยขึ้นมาสาหัสท่นานก็ไปช่วยช่วยคนที่ได้รับต้องการความช่วยเหลือไปช่วยก่อนใช่ไหมปหัญหาถูกตอบหมดแล้วโอ้คิดเลยเห็นไหม แล้วกลับไปก็ประกว่าท่านก็เอาปัญหาสามข้อไปพัฒนาบ้านเมืองของท่านกิดใดสําคัญที่สุดความเดือดร้อนของประชาชนสําคัญที่สุดท่าก็รีบทําก่อนใช่ไหมแล้วการงานอะไรที่จําเป็นเฉพาะหน้าที่ทําก่อนอเวลาสําคัญที่สุดบุคคลสําคัญที่สุดสิ่งที่ต้องทําก่อนชั้นใดก็ดีเอาไม่ขี้เอามาเริ่มต้นว่าไงมาลงตรงนี้หมอ จำไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วก็จะจํานิทานเรื่องนี้ได้อย่างไง <c oughs> จําไม่ได้นะทอน <c oughs> คือคือเราพูดถึงว่าการดูแลเรื่องสุขภาพใช่ไหมการดูแลสุขภาพ ท, ที่จําเป็นและสาคัญที่สุดร่างกายนี่อยู่กับเราใช่ไหมใกล้ตัวเราที่สุดเราต้องดูแลเขาก่อนระหว่างคนอื่นเจ็บป่วยก็เราเจ็บป่วยเนี่ยใครรู้สึกได้ก่อน ใช่ไหมเราเรารักษาตัวเองแล้วยัแต่ว่าคนอื่นจะป่วยไปดูแลคนอื่นคิดถึงคนอื่นตลอดใช่ไหมแต่ตัวเองเจ็บป่วยบางทีไม่ได้คิดถึงอันนี้เราไม่ได้ทําสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเวลาปัจจุบันสําคัญที่สุดทุกสิ่งเกิดขึ้นนับปัจจุบันต้องแก้ให้ทันและกิจที่คนจะทําก่อนหรือสิ่งที่จําเป็นเฉพาะหน้าต้องทําให้ถูกให้ทันการเพราะฉะนั้นความหมายของคํำวิปัสสนาก็คือว่า ทันเหตุทันการทันงานทันคนทันคนทันเกมแล้วทันใจตัวเองด้วยแล้วมันจะแก้ปัญหาได้รวดเร็วและชีวิตอะไรอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นการพัฒนาทั้งรถทั้งคนและทั้งเส้นทางได้รวดเร็วทั้ง3าประ ก, การเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญที่สุดหนึ่งรู้จักพัฒนาตนเองร่างกายตัวเองสองพัฒนาจิตตนเองสพัฒนา พฤติกรรมของตัวเองคือวิธีการปฏิบัตินั่นคือสามองค์ประกอบที่เราไปสู่เป้าหมายหนึ่งสุขภาพกายสองสุขจิตสามพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ตอบปัญหาสามข้อนี้ได้ด้วยคุณวชิรินต้องเอาไปพิสูจน์นะสุขภาพเริ่มไม่ดีแล้วใช่ไหมลดต้องทุนนะ่ะเริ่มไม่ดีแล้วใช่ไหมอ่านั่นแหละไปรักษาให้ดีใช้พุทธโอสถอย่าใช้แพทโอสถ ได้ธรรมโอสุสังฆโอสุ ด, สสดที่ส่วนหนึ่งที่บอกว่าถ้าคุณไหนเป็นพิปเป็นพิปัญ น, น, นาแล้วเนี่ยจะเจ็บป่วยน้อยเพราะอะไรเพราะว่าเราได้เฝ้าดูตลอดเวลาเพราะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมันมาอาศัยอะไรเวทนาใช่ไหมมีเวทนาเป็นตัวแสดงผลแล้วเราอ่านเวทนาเร า, ราไม่ออกเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาเรื่อง เวทนาลุัสนาศิริบัตานหรืออ่านจนจำหมดกายานาุุัสนาเวทนาอ่านจนจําขึ้นใจแต่เราทําไม่เป็นนะเพราะเรารู้แล้วว่ากฎขออนิจจังทุกขังนาตาเนี่ยมันทําให้เซลล์ในร่างกายของเรานี่ตายตลอดเวลาก็คือทุกขเวทนาที่ร่างกายเจ็บป่วยเนี่ยนะนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการแล้วให้มันตายน้อยลงนั้นทําร่างกายให้มันผ่อนคลาย ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ใ น, นขณะเดียวกันเมื่อร่างกายผ่อนคลายแล้วไม่ควรจะเสพติดควรจะใชใ้เป็นประโยชน์นะและอย่าทําให้ร่างกายนี่ลําบากเกินไปเพราะร่างกายลําบากเกินไปหมายความาเซลล์มันตายจํานวนเยอะแล้วพร้อมที่จะอ่อนแอแต่ถ้าอย่างไรถ้าเราไปทํางานต้องใช้แรงแล่ะมันต้องทุกข์ต้องเหนื่อยทาําไงบางทีทํางานตลอดทั้งวันวนํามายังนึกถึงโยมที่นั่งปฏิบัติแล้วเกิดความขี้เกียจ ถ้าหันไปสังเกตไอ้ช่างชาวพม่าที่ทำบ้านหลังนี้<ม>ก็อิดชาปูนตลอดทั้งคืนนะก็คืนก็ยังสปอร์ตไลท์เออแล้วเราทำแค่นี้มันจะหนักขนาด น, นั้นเลยอนระแล้วที่เป้าหมายเขาหนักเขาต้องการเพียงเงินวันละไม่กี่ร้อยใช่ไหมแต่เป้าหมายของเราต้องการมรลกนิพ่านทำไมเราลงทุนรุนแรงน้อยกว่าเขาเหลือเกินนะ ทั้งๆ ท, ท, ที่ว่าสิ่งที่เราต้องการผลตอบแทนคือสิ่งที่ยังยืนตลอดการใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาผลตอบแทนเขาใช่วันเดียวก็หมดแล้วเพราะฉั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างความพยายามดังนั้นเองเราต้องใช้ความพยายามให้มากกว่านี้นะใช้ความพยายามน้อยไม่ได้โอเคเอาละถ้าสมมติว่า เ, เราขับรถไปไม่ถึงเป้าหมายเราขับดีที่สุดละรถก็ดีที่สุดละ ทางก็ดีที่สุดแล้วถามว่าทั้งรถทั้งทางทั้งคนเที่ยงไหมไม่เที่ยงใช่ไหมมันมีโอกาสเกิดแอคซิเนต์ไหมแล้ววิ่งไปดีๆรถคนอื่นผ่ามาตุ้มเดียวนี่นะบางทีความพร้อมทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่าความปลอดภัยร0อเปเซนสมัยหนึ่งเอามาไปเข้าค่ายกอาจารย์ควิตอยู่ที่บันดงอสมบันดงที่นครนายกสมัยตั้งแต่ปีหนะึ่งแปดหนึ่งเก้า ออมาก็ไปมาไปมาเนี่ยพราะตอนนั้นเรียนมหาจุลาเดีก็ปรากฏวันหนึ่งเรานั่งรถโยมออกมาเพื่อมาเอาอาหารเพราะว่าโยมพระตะคารลุงเพชรเนี่ยโยมแดงโยมสาดเนี่ยเป็นเจ้าเป็นเจ้าภาพในการถวายทุกอาทิตย์นะ ไ, ไอ้เราก็ออกมารับอาหารกับโยมแดงก็ปรากฏว่ามาถึงสี่แยกเราก็ว่าเราเป็นทางเองไอ้คนขับรถมาทางนั้นมันก็มันคิดว่ามันชังเอกเหมือนกันเอกตัวเองบวกกันเพ่งก็ชนเข้าการไม่จะชนเข้าตรง ข้างคนขับนะเอามาก็นั่งโอ้โหอย่างแรงเลยปรากฏว่าคนขับถูกอัดกระพี้แต่ก็ไม่ได้ตายทันทีนะการรักษาแกก็ป่วยดังนั้นมาไม่ได้ไม่นานยมแดงแกก็ตายเลยแต่เอามารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรถพุ่งไอ้นั้นมันก็ไม่จอดเราก็ไม่จอดทําไงทําไงมันเกิดสติแล้วใช่ไหมดังนั้นก็พอรถนั้นจะชนพระมาก็พุ่งตัวกระแทกลงไปข้างหลังทันทีข้างหลังทันทีพอชนตู้มงรถ ในช่วงที่เราเด้งตัวขึ้นกับช่วงที่มันรถชนเนี่ยมันจังหวะเดียวกันตัวเราก็ลอยใช่ไหมปรากฏว่าเมื่อมันหยุดแล้วเนี่ยหนาา้าผ่าวจะมาไปโขกกับไอ้ไอ้ไอไอไอขอบประจกอะ่ะตรงเนี้เมื่อถึงจะแตกนะโนเขียวช้ํานนะ่แต่อีกคนนึ่ง น, นุ่มถูกอัดก็พี่งนนันเนีรถไม่ใช่รถไอ้รถสอยจอโอ้ที่ที่ทําไงแล้วก็เป็นนักปฏิบัติทำแล้วจะฟ้องจะาร้องเอาเรื่องเอาราว เขาเป็นเรื่องเป็นราวเราก็กลัวเสียปุ่มทำบองด้านกลัวจะเสียนักทะเป็นเรื่องเป็นราวเอาเรื่องเอาราวคนอื่นมันเป็นอุบัติเหตุสูตรวิสัยใช่ไหมจะไปร้องไปฟ้องเขาก็ต้องจ่ายลูกเดียวเขาก็ยอมทุกอย่างจะเอาไงกับเขาก็ได้จะปรับจะไม่เขายอมเพราะเขาก็รู้ว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเขาก็ดีนะทั้งนี้เราก็ใจอ่อนด้วเราก็ใจอ่อนบอกเอางี้ก็แล้วกันเราตอนนี้เรากําลังสร้างว่าสร้างสํานักใหม่ พนมาช่วยคนหินคนสายเอาลูกน้องมาช่วยซะหน่อยก็แล้วกันโอ้โหการสร้างอันอสมณวิชีวันร้อยจานทร์กดไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะีแต่หารู้ไหมเบื้องหลังเนี่ยยุบแดงเกือบตายนะอันนั้นคื อ, <c oughs> คอวิธีการของเรานะีอันนั้นก็รอดตายจากเหตุการณ์ตรงนั้นออกมารู้สึกจะรอดตายถึงสองครั้งนะครั้งที่สองก็คือเราไปอยู่ที่นั่นบ่อยเราเมลเลียกินเนี่เมลเรียพอบ่ายสองมาก็พระเจ้าเข้าร้อนสัน่นมลีเลียมขึ้น ที่นี้มามีก่อนหน้าที่ไปที่นั่นไปอยู่สวนโมกมาก่อนอสวนโมกเขาไอ้ใบเขาวัวเทาเหลืองในสวนโมกมันมีเยอะใช่ไหมใบเนี้ยถ้าไปไปคั่วไปคั่วให้กรอบแล้วไปตากแดดมันจะกรอบมันชาแล้เอาใบชาเนี้ไปชงแล้ใบเถาวัลเทลืงที่ไอ้เถานี่มันขึ้นต้นไม้สูงไงเราเห็นแต่ต้นมันทนี่เราจะเอาใบมันพอใบเวลาไปอบไปเผาแล้วตากแลหอมมาก ที่มันเถาอันนี้มันเหมือนกับเถาไอ้ไอ้แสแงหลวงอ่ามันคล้ายๆกันที่นี่มาต้องการระหว่างใบแสแงหลวงกับใบไอ้ตัวเขาวเทลึงมันคล้ายๆกันที่นี่มาต้องการขึ้นไปดูใบมันใช่หรือไม่ใช่ไหมไอ้เถานี้มันพันขึ้นกับไอ้ต้นต้นมะลือนะทางอีสานเรีว่าต้นมะบกเลยยังไงต้นมะลุผ่านขึ้นไปเราก็ปีนขึ้นต้นบกนี้ไปเพื่อจะไปดูใบมันคือมันอยู่ยอดต้นบกแหละยอดต้นมะลนขึ้นไปมันสูงเนาะ ต้นใหญ่โอมนที่ขึ้นไปเอามาก็ใกล้จะถึงง่าแล้วขึ้นมาสูงมากหลายเมตรทีนี้พอถึงง้ามันมีกิ่งหนึ่งโผล่ออกมาใช่ไหมมันเหนื่อยพอไปถึงเราก็คว้าจับกิ่งอย่างแรงเพื่อจะตวัดตัวขึ้นที่ง่ามใช่ไหมที่ไหนได้กิ่งไปกิ่งแห้งโอ้โหหลับตาดูอะไรจะเกิดขึ้นพลุ่งลงมานี่ความรู้สึกนี้ดับไปเลยนะพฤุ ด, ดับไปเลยอ๋อมันสูงมากอะ่ะทีนี้ แ ล, ลแล้วเขาตกลงมาเราคิดว่าเราตายแล้วเอามาดูตัวเองข้างแขนขาเนี่ยมันถลอกปอกเปิกเลือดออกตอนไปเนี่ยนะมันก็เอายามไปด้วยใส่มันเข้าป่าหาสมุนไพรเนาะแล้วก็เอาใส่ขวดน้าําในขะนั้นก็มีขนมปังอยู่ชิ้นหนึ่งนะเขาไปกอนเพนนะเพื่อว่าหลงป่าหรือออกไม่ทันจะได้ขนมปังฉันนั่นก็เดินออกป่ามาเอ้ขวัวขนมปังไปเคี่ยวไปก็ได้ลดนะเออ ไอ้คนตายมันจะไม่ได้รู้จะทีนี้ไปเจออาจารย์ไฟบุญกนินไมตีข้างหน้าเรียกอาจารย์อาจารย์อาจารย์นพุนครับอา้าวแสดงว่าเราไม่ตายนีย <laughs> <laughs> เขายังตอบสนองได้อยู่แสดงว่าเราไม่ใช่ผีแล้วขนาดนั้นนะะแล้วก็ต่อมาก็ถึงมีโอกาสได้พบหลวงพ่อเทียนนะแต่ความจริงเจริญสตินี่ทําแล้วนะทำเพราะอาจารย์กวิต ท, ท่านท่านพูดถึงเรื่องนี้มาก หลังจากที่ท่านพบหลวงพ่อเทียนที่ตามอาจากกรย์กุลวิทไปพ่ออาจากกรย์กุลวิทย์ไปพบหลวงพ่อเทียนกิดตรมาอย่างนีแล้วท่านก็สอนเรื่องนี้นั่นแล้จะเห็นว่าเรื่องการที่ชีวิตของเราเนี่ยว่ามันอ ะ, อะไรก็ดีหมดแล้วเนี่ยแต่เราไว้ใจไม่ได้กับกฎอะไรอา น, นิจังอา น, นิจังทุกขรของเราไว้ใจไม่ได้เลยไม่รู้ว่าวิบากกรรมที่เราทํามาในอดีตคืออะไรบ้างใช่ไหมที่เขาจะมาตัดมาผ่านมา พ, า, ม า, พาเราในช่วงที่เรากําลัง ดำเนินการดีๆนี่แหละแต่สติมันช่วยได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นมาโอ้สองครั้งนี้เรารอดตายเนี่ยแต่ก่อนหน้าก็เจอครั้งน้าจอนหน้านั้นเออไม่ใช่ก่อนหน้าดิปีปีสองสองปีสอ ง, สอ ง, ส, องสองดิไปตอนนั้นจบมหาจุฬาใหม่ต้องไปปฏิบัติภารกิจของพาทธกรนณาของมหาวิท ย, ยาลัยใช่ไหมไปอบรมเนรภาคโลลที่บ้านปง่งราชบุรีเดือนหนึ่ง เพื่อนเขาจัดงานที่นูเราไปช่วยเขาเ <c oughs> พราะพอวันสุดท้ายที่เราได้กลับวัดปยูนที่กรุงเทพเนเราก็นั่งรถวัดเก้าเก้ากลับช่วงเย็นอย่างใช่ไหมเป็นวันอาทิตย์รถเก้ามก็วิ่งเข้ากรุงเ ท, เทพเต็มที่เลยใช่ไหมผ่านเรื่อยถนนมันผ่านท้องนาที่มันยกถนนสูงมากใช่ไหมทีนี้เมื่อกี้เข้ากรุงเทพมันก็จะวิ่งแซงสิบล้อดิพอแพงไม่ทันโผล่เลยสิบล้ออีกคันดันโปรขึ้นมาเหมือนกนอันนี่ก็้หักโครงอะไร ลงข้างถานนเลยนึกภาพบอกไหมว่าอะไรเกิดขึ้นโอ้โหแต่ละงานนี้เรียกว่าชกเลือดทั้งนั้นปรากฏว่ารถกิ่งไปไม่รู้กิตหลบเอามาเวียงตัวตามไอ้รถเลื่อนหมุนนะั่นนะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดสปริงตัวออกมาของมันเองไอ้เราก็นั่งหลังคนขับนั่นแหละเสร็จแล้วปรากฏว่ารถหยุดเอามาก็เราไม่เป็นไรเนะี่ยข่อกดข้อบาด ท, ที่ติดอยู่ ไอ้ข้างในรถแน่ออกกระจกกระจกข้างหน้ามันแตกหมดใช่ไหมล้วก็ไต่ออกมาเดินขึ้นรถข้างหน้าไปเฉยเลยเนะ <c oughs> ดินเช้ามามาอ่านซนัอพมรถมีข้าวข้ า, ขาประสานสิบล้อโชเฟอร์หักวงมาลัยหลบรถสิบ ล, ลอ้อลงข้างนั้นตาย34บี่ศพบาดเจ็บเป็นร้อยบางั้นโอ้โหเหตุการณ์นั้นจำในแม่นยำเลยเออลรวรอดมาได้ยังไงอันนี้ก็เลยเห็นคุณของสติไง ว่าสติปฏิหารจริงๆทําให้เรารอดตายได้แต่ละเหตุการณ์อย่างน้อยสามครั้งที่เหตุการณ์ที่ใหญ่ๆที่เรารอดตายนะ้นนั้นก็เห็นคุณโอชีวิตนี้มันเหลืออยู่อยากจะทำอะไรดีก็บอกเรื่องสติให้คนอื่นก็เลยกันเผื่อคนอื่นเขาเขารอดได้นะก็ทําเรื่องนี้มาส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่า เ, เรื่องใส่วิธีการหลวงพ่อเทียนอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเห็นคุณของสติตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่หลวงพ่อเทียนมันน้น จุดนี้อีกมันก็ยิงเข้าทางเลยก็ได้ทําอย่างเต็มที่ทําแล้วทําอีกเนืมันก็ไม่ใช่ง่ายนะตั้งแต่20จะมาถึง29เนี่ยมันก็ทุรคุเลเพราะอะไรเพราะเรียนมากรู้มากใช่ไหมล่ะมันก็สงสัยมากสงสัยมากมันก็ปฏิบัติมาแล้วด้วยปฏิบัติแบบหน้อแบบแบบพ่อเพื่อท้าท์ซึ่งเป็นวิธีที่เยี่ยมๆทั้งนั้นนะ่ะนะแต่มันไม่สามารถทจะทําให้เราหายสงสัยได้อะไม่สามารถจะทําให้เรา ตัดความคิดตัดนิวรณ์ได้ก็แสดงว่าวไม่ใช่วิธีการไม่ถูกนะแต่เรามันไม่แมทกับเราอะ่ะไม่แมทไปสตีปัญญาของเราอะ่ะแต่พอมาเจอหลวงพ่เทียนมันมีลู่ทางมันมีทางออกก็เริ่มตามมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาเก็บอารมณ์ช่วงสุดท้ายกับหลวงพ่เทียนซึ่งหลวงพอ่อเขโอ้โหเขี่ยมากเลยนะภาษาสองเก้านั่นเพราะเราไม่เคยเก็บอารมณ์เข้มๆต่อเนื่องกัน สมัยนั้นยังไม่นิยมเก็บอารมณ์สมัยนี้ก็ทําอบรมปล่อยอบรมปล่อยอย่างเงี้ยหลงพ่อเทียนบอกให้เก็บอารมณ์อมาก็ไม่เคยเก็บตึกที่เป็นตึกสชั้นของวัดสามนายทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนัด น, นไปตึกเลือนไม้ตึก2ชั้นนะอนมาก็เข้าชั้นล่างแต่ว่าไม่ได้เข้าห้อ ง, องทันทีนะแอบมาไปแอบไปอยู่ข้างหลังเอาผ้าคลุมหมดอะผ้าจีวรคลุมทั้งหมดหลงพ่อเทียนตามไปแอบดูเขาเอาไม่ได้ไม่ได้เข้าห้องนะมาจับเข้าห้อ ง, องพอเข้าห้องเสร็จแล้วก็เปิดหน้าต่าง ใครไปใครมาจะได้เห็นแล้วก็ตามไปปิดอีกตามไปปิดประตูหน้าต่างหมดอ้หหกวันแรกเนะี่ยเหมือนไก่อยู่ในสุ่มนะวิ่งไปออกมาจะออกรูไหนดีมื่นตาเนีก็ปิดหมดในที่สุดแล้วจนตัวทาไงแล้วก็มานั่งเอแล้วหกวันเราไม่ได้เรื่องอะไรตาสอดสายความยากวุ่นวายไปหมดเนี่ยก็เลยมานั่งเรียบเรียง ท่าแต่ละท่ า, เ, าเรียบเรียงท่าคัาตามาห้านาทีคัาตามาสองชั้นหนาทีคัาตามาต3มชั้นหนาทีพระเพียบขวา5้านาทีพเพียบเวซ้ายห้านาทาีท่าไหนที่ไม่ถนัดมันเจ็บอา้าสานาทีเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันมานั่งชุดหนึ่งได้สองชั่วโมงวันนั้นประกฏได้3มชุดเลยชุดละสองชมงชั่วโมงสองชั่วโม ง, ง, โมงตกกลางคืนมามานอนสี่ทุ่มห้าทุมเนาะ เราก็นอนจะนอนสร้างจังหวะกล่ามันจะนอนไม่หลับใช่ไหมเราก็มาตามดมหายใจดูตามไปตามมาบอกว่าจิตของเราวึกพอกลมหายใจหายไปเลยน่ะนิ่งไปเลยทือไปเลยเหมือนกับไม่มีลมหายใจทื่อนิ่งไปเลยก็ปรากฏว่ามันจะดิ้นก็ไม่ได้ตัวมันแข็งทื่อไปเลยอ่ะเป็นอยู่่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง ก่อนที่มันจะออกมาได้เพราะอะไรเพราะเราเหอลมหายใจดึงลมหายใจให้แรงปึ๊บเข้าไปมันมันมันมันดิ่นได้ก็แปลกใจเอออะไรเกิดขึ้นกับเราไม่เคยเป็นมาอย่างนี้อา้าวทำไมต้องทําแบบเมื่อกี้กําหนดลมหายใจเข้าไปอา้าเป็นอีกอา้าใช้ได้แล้วนอนทําเป็นอา่านองนั่งทํำรู้บ้างตามลมหายใจเข้าเข้าได้อีกยืนทําเด้อนั่งทํานอนทําเป็นหมด ปากฏว่าคืนนั้นนคือนอนไม่ได้พอนอนทําท่าจะหลับไปมันมันตัวมันจะพุ่งไปเหมือนในอากาศเหมือนกับเราเหมือนเครื่องบินเน่ยจู่จัดจู่จั ด, จดไปมันขึ้นหลับพึ่งตื่นจนกระทั่งสวา่างใกล้สวา่างก็ดีใจว่าเออเราได้พบธรรมะอะไรสักอย่างนี้นะเอาไปรายงานหลวงพ่อเทียนดีใจว่าเออพ่อเทียนท่านว่าท่านก็มองหน้าเราแบบตาแข็งแข็งเง น, นะแทนที่จะอนุโมทนาเราใช่ไหม บอกนี่เนี่ผมสอนเดือนเดียวก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือการสะกดจิตของตัวเองครูบาอาจารย์ทั่วไปที่เข้าสมถะคิดว่าอันนี้คือเป็นเข้าฌานสมาบัติเข้าสมาบัติเข้าฌานชั้นสูงไม่ไม่ใช่อันนี้การสะกดของตัวเองผมสอนมาแล้วมั้นเพราะนั้นอย่าไปทําอีกนะถ้าทําเดี๋ยวเกิดปเป็นอามวะพึ่งออากม า, าผมไม่ผมไม่รับผิดชอบโอ้โหขูเราอีกกลางหาบอกก็อย่าทําต่อไปพราะทำต่อไปเนี่ยระบบ ลมหายใจมันเข้าออกมันผิดปกติแล้วมันจะทําให้ระบบเลือดลมในตัวนี้ผิดปกติแล้วมันสามารถที่จะเป็นโรคอัมพอพาตเป็นโรคหัวใจได้คุนบอกว่าแล้วจิตเราจะอ่อนเมื่อจิตอ่อนแล้วต่อไปแล้วก็ติดสงบเมื่อติดสงบแล้วเรามันจะไม่สู้อารมณ์เพราะนักปฏิบัติที่ติดสมาธทั้งหลายหรืีทั้งหลายก็เคยไปติดตรงนี้แหละในที่สุดเขาก็จะเอาตัวหลบตัวรอดไปอยู่ตามที่สงบเท่าั้นเองพราะเขาติดฌานตรงเนี้ย แตงพ่อเทียนทั้งขวัวไว้กลัวเราจะไปเล่นอีกไงเพราะถ้าไปติดตรงนี้จิตมันจะอ่อนใช่ไหมถ้าจิตอ่อนเลาะเวลาอะไรมาทบตามหูเจมูกเล่นกายมันจะไม่สู้มันจะหลบเข้าข้างในแล้หาหลบหลีกปีกเปี่ยวไม่สามารถจะออกมาทํางานสู้กับสังคมได้ให้สู้สังคมได้เดี๋ยวอาสวะที่มันถูกอะไรอำนาจสมาธิกดดันเอาไว้เนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยคนพุ่งขึ้นมาตะบะแตกทําไงอุตสาหบำเพ็ญมาตั้งนานก็เสี่ยงใช่ไหมเรา เราก็ท่ตองหลบจะมาทํางานกับสาธารณะเพราะฉะนั้นอามาก็ไม่แปลกใจว่าเอ๊ะพระสงฆ์ของเราในประเทศไทยเยอะที่สุดนะสามแสนสี่แสนลูกต่อปีเราวัดถึง3ามหมืนี่หมื่วัดก็ทให้ปล่อยเหตุการณ์ในเวทแทนมันเละอย่างเงี้ยแล้วมาทํางานอย่างที่มาทําสักกี่คนสักกี่ลูกอ๋อเข้าใจใช่มันน่าเป็นอย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่เป็นลทัทธิของอะไรเป็นลุศีในธรรในานามของพุทธนะแต่มันเป็นพราหมณ์เกสเปอร์ซมาว่า และเป็นพุทธสิบซสมัยนั้นที่มาเข้าใจใหม่ใหม่มาตรฐามของผู้เรียนอ้าหลวงพ่องั้นในประเทศไทยของเราเนี่ยมีพุทธกี่เปอร์เซนต์บอกไม่ถึงสปซโอ้โหนั่นหมายความร้อยหนึ่งเนี่ยที่จะรู้เรื่องพุทธจริงๆไม่ถึงสองคนใช่ไหมอ้าโอ้โหเราหลงภูมิใจว่าประเทศไทยเราเป็นพุทธถึง9ก้าปอร์ซดังนั้นสิ่งเหล่านี้มาว่าเราจะต้องศึกษาเรื่องวิปัสสนาให้ชั แจ้งจริงๆโดยเฉพาะเรื่องสติต้องทำให้เป็นชีวิตจีใจเลยอย่างน้อยที่สุดเขาเหมือนเทวดาเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษาเราในานามของพระพุทธในานามของพระรัตนตรยัยนะพุทธิยถาตรัสเรื่องนี้ไว้มากเลยแต่ว่าดาว้วยศรัทธาของเรามันยังคอนแคลนความเพียรเรายังอ่อนนี่แหละมันจึงไม่เห็นกำลังของสติที่ชัดแจ้ง <c oughs> ถ้ามาเองเมื่อถูกพิสูจน์ด้วยความตายเนี้ยมาก็ไม่เชื่อมันขนาดนั้นเลยใช่ไหมแต่เมื่อถูกพิสูจน์ด้วยความตายถึงหลายครั้งนะมันก็เลยเชื่อมั่นในการที่จะทำํำเรามาพบหลวงพ่เทนที่ท่านมาชี้เรื่องนี้เด็ดตมันก็ยิ่ ง, งชัดเจนแต่ด้วยความที่เรามีวิบากกรรมมีความเชื่อผิดผิดมีทิฏฐิมานะมีมิจฉาทิฏฐิมาก่อนเนี่ยมันจึงทาให้เราเนิ่นช้าแต่คนไหนมีวิบากกรรมน้อยมีมิจฉาทิฏฐิน้อยมีความ ยึดติดน้อยเนี่ยมันก็จะไหวนะมันก็จะไหวขึ้นอันนี้มาถึงบอกว่าอยากจะให้คุณผู้หญิสาวศึกษาเรื่องนี้เยอะๆเพราะอายุมากๆขึ้นในระดับคุณเจรัญนี่กระไม่เคยไหวได้วใช่ไหมทิฐิสักเยอะแล้วใช่ไหมคุณวัชรินก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกไหมไม่หนักนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เรามีกันเยอะๆทั้งนั้นใช่ไหมตัวความเชื่อมั่นในตัวเองในทิฐิมานะเพราะเราประสบ ผลสำเร็จชีวิตมาผ่านการงานมาสิ่งเหล่านี้มันสร้างอัตตาของเราแต่คนหนุ่มคนสาวเนี่ยเขายังไม่ได้มีผลงานผลสำเร็จอะไรมากมายใช่ไหมเขาเออก็ไอความยึดมัน่นยึดติดในสิ่งเหล่านี้เขาก็ไม่ค่อยมีมันก็จะไวแต่คนหนุ่มคนสาวก็มีข้อด้อยข้ออ่อนตรงนี้มันติดในธรรมชาติของเขาที่เขาจะต้องไปสแสวงหาตามความอยากของเขาที่กําลังรุนแรงอยู่ราคาโทรศัพมือถองเขาก็แรงความที่จะไปสร้างกรรมใหม่นะแต่ถ้าหากว่า ไปพบครูบาอาจารย์ที่เขาพูดคนณหนุ่มคุสาวเข้าใจและเห็นพิษเห็นภัยเรื่องนี้เขาก็อาจจะนมน้ำวมาทีได้ง่ายขึ้นตามที่ได้พวกคนหนุ่มคุสาวหลายคนที่ยอมเข้าใจก็ลดคือให้เขามองเห็นโทษของกามมองเห็นโทษของวัตฏสงสารถ้าคนหนุ่มคุสาวมองเห็นโทษของกามเท่านั้นเขาก็ไม่เอาแล้วที่จะมาแต่งงานเลี้ยงลูกอย่างพวกเราใช่ไหม การเลี้ยงลูกโตในล้วลคนมันขนาดไหนใช่ไหมต้องใช้เขาจะอดชีวิตต้องหาเงินหาทองอะไรมากมายอ่ะแล้วกว่าเราจะหันมาศึกษาธรรมะเราก็เต็มไปได้วยทิฏฐิมรนะเต็มไปได้วยอัตตาเต็มไปด้วยวิชาทิฏฐิแล้วอัตตาที่เราเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาต้องใช้อัตตาสูงใช่ไหมเมืงงนอไงเลี้ยงเขาไม่รอดอะ่ะต้องใช้ทิฏฐิสูงเหมือ่อังเอาชนะลูกไม่ได้ฉันต้องดีกว่าแกงมันต้องใช้เยอ ะ, อะ สามีพัรญาก็ต้องเอาชนะข้าคานกันต้องสร้างทิฏฐิใจกันใช่ไหมมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตัวนี้มันก็ตกค้างในจิตวิญญาณของเราเมื่อมาปฏิบัติธรรมมันก็ขวางดิใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงว่าโอ้ถ้าเราพบในวิธีการที่ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าคนหนุ่มคุณสาวสามารถเอาชนะธรรมชาติด้านในของตัวเองได้โอ้วิเศษที่สุดถือว่าเด็กคนนั้นมีบุญนะอามาคืเจอหลายคนนะเาเห็นโทษของกลาง นะเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นวิบากกรรมของเขาที่ต้องบรรพุรุษเขาเขาสร้างมาใส่ในตัวเขาเขาต้องทําหน้าที่สืบสารเชื้อสายบรรพุรุษก็ธรรมชาติต้องบีบคั้นเขาธรรมชาติส่วนนั้นเริ่บีบคั้นเขาแต่ถ้าเขามาเจริญสติปัญญาแล้วเขาสามารถใช้สติให้สลายความรุนแรงของธรรมชาติส่วนนี้ได้เนี่ยเขาจะบรรลุธรรมได้ไวนะเพราะหากว่ามีราคามีการมโดดเดียวมันก็ให้เกิดโทสะและโมหะโดยธรรมชาติเลย พอะไรพ่อความยินดีความพอใจเป็นสิ่งทุกคนชอบเป็นเชื้อสายที่เราสืบทอดกันมาตลอดพบชาติของเราเราแต่สแสวงหาแต่อันนี้สแสวงหาแต่ความพอใจสแสวงหาแความถูกใจสแสวงหาแต่ความ อ, อร่อยสแสวงแต่ความสนุกสนานใช่ไหมมันก็รวมกันเป็นพลังดิพลังแห่งความอยากพลังแห่งกลามแล้วไอ้พลังก้อนนี้มันก็มีอํานาจบีบบังคับจิตใจของเราต้องมุนไปตามอํานาจของมัน แต่ถ้าเราจเจริญสติมากมเข้ามาเข้าเข้ า, า, า, า, า, า, า, า, าเราก็เอาตัวรู้สึกมาสลายทุกครั้งเมื่อกําลังตัวนี้มาบีบจิตของเราเมื่อจิตของเราถูกกําลังของวิบากกรรมของโลกโลกียะโลกียะรมพั้งหลายที่บีบเราก็ใช้ตัวสติจะเข้าไปสลายทุกครั้งในที่สุดมันก็หมดอํานาจพอหมดอํานาจแล้วทีนี้ปัญญามันเกิดศีลมันเกิดสมธิมันเกิดโ ด, ดยอัตโนมัติของมันเอง เั่นอยากจะให้ศีลสติปัญญาเข้มแข็งมันง่นคงก็ไปลดราคาโทสะโมหะลงเท่านั้นเองไม่ต้องไปศึกษาอะไรให้ลึกซึ้งอะไลดราคาโทสะโมหะลงลดในลักษณะที่ย่อยสลายไม่ใช่ลักษณะที่เก็บกดถ้าคุณลดลงลักษณะเก็บกดบีบคั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ อ, ใชอันนั้นเป็นสมถะแต่ลดด้วยการสลายอํานาจของมันด้วยอํานาจของไฟวิปัสสนานะ นั่นอย่างที่ท่านบอกว่าเราจะทําลายพืชมีสองลักษณะหนึ่งเอาสิ่งที่หนักที่สุดคือศิลาทับลงไปสองคือถอนเลยวิธีกำจัดขยะหนึ่งฝังสองเผาใช่ไหมแล้วไหนปลอดภัยกว่ากันวิธีฝังคือสมถะวิธีเผาคือวิปัสสนาวิธีเอาศิลาไปทับคือสมถะวิธีที่ถอนทั้งรากทั้งคนออกคือ มีพัษนานี่คือหลักการอ่าเพราะฉะนั้นตัวกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหลายที่มันเกิดถ้าเราไปทับไปฝังไปไงมันก็ยังอยู่วันดีคืนดีมันมีโอกาสก็โผล่ขึ้นมาอ่าแต่ถ้าหากว่าถอนหรือเผามันก็หมดสากไปเลยนะและะนั่นเองอันนี้หลักการอันนี้มันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ประการสำคัญเนี่ยเราจะมองเห็นธรรมชาติส่วนนี้ไหมการที่เรา ถอนมานธิธิลงเสียได้นี่ช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะทำให้จิตเขาณทิฐิมันมันปิดใจของเราเงี้ยแต่ตัวเราถอนมานธิมันมันเปิดกว้างขึ้นรับสิ่งที่ที่ดีทั้งหลายเนี่ยดังนั้นเองเราก็ต้องพยายามกิเลสที่ยาพิสูจน์เราเรียกว่าราคะโทสะโมหะใช่ไหมกิเลสชั้นกลางเราเรียกว่า ตัณหามานาทิฏฐิและกิเลสชั้นละเอียดเราใช้ําว่าอาสะวะกาอาสวะภาวะวะ ว, ะวะิชาะวะก็พัฒนาไปจากสามตัวนั่นเองจากอย่างหยาบกลางละเอียดเมื่อเราได้ศึกษาหลักการอันนี้แล้วเนี่ยเราไม่ควรท้อและไม่คนถอยต้องพยายามทำให้ถูกต้องที่สุดแล้วมันจะไวเมื่อทำถูกต้องแล้ว ม, มันไวโดยธรรมชาติของมันเองเหมือนเราปิดไฟก็เปิดไฟเนี่ย แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีไฟเราเสวงนะครับไฟมาเนี่ยกูจะได้กูช้าได้ยากใช่ไหมนั่นคือเวลาแต่ถ้าหากว่าเราเซตอัพระบบไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงเวลามีแต่ปิดกระเปิดก็ก็ง่ายนะเหมือนกันแล้วการมาปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อมาฝึกการเซตอัพตั้งระบบวิบัติษณาให้มันมันคงเทนนั้นเองเมื่อปัญหาอะไรเกิดขึ้นช่วงไหนต้องการที่จะอยู่ช่วงไหนต้องการที่จะเปิดช่วงไหนต้องการที่จะมืดช่วงไหนต้องการที่จะสว่างปิดเปิดได้เลย คุณไม่เคยกลัวความมืดอีกต่อไปใช่ไม้มและไม่รำคาญแสงสว่างอีกต่อไปเพราะเราปิดได้เปิดได้เมื่อเรามีสวิตต์ปิดเปิดได้เราก็ไม่กลัวความมืดเพราะเรารู้ว่าสว่างมาได้อย่างไร <S <S เมื่อเราเซ็ตอัพระบบวิปัสนาแล้วเราไม่เคยกลัวกิเลสแต่หาวัฏฐานเพราะเรารู้ว่าจะเอาตัวสว่างมาได้อย่างไรเข้าใจไหม อ, อันนี้คือหลักการง่ายๆแต่ที่นี้เราทําไมไม่พยายาม เพรทีเราสับสนอยู่เยอะอยู่ยแล้วนี่เฉพาะในประเทศไทยใช่ไหมสติปัฏฐานสูตรสมัยก่อนพระพุทธเจ้าสอนองค์เดียวใช่ไหมกับลูกศิษย์แต่สมัยนี้ร้อยสํานักก็ร้อยสูตรสติปัฏฐานนะเราก็ไม่รู้ว่าของใครถูกของใครจริงทําให้เกิดความสับสนใช่ไหมแต่ในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้ากับลูกศิษย์นั้นสอนสํานักเดียวใครมาฟังก็เก็ตเลยว่าไปทางเดียวกันเดี๋ยวนี้สติปัฏฐานสูตรก็ว่าเปคนละสูตรแล้วเราไม่รู้จะเชื่อสูตรไหนดีอ สนม ก, ก็สีพันธอีสูตหนึ่งลวงพ่อเทียนก็สีพันธ์อีสูตรหนึ่งหรือสีลิงดําก็สีพันานอีสูตนปากน้ําก็อสูตรหนึ่งนอฟองหนกก็อีสูตหนึ่ ง, ง, ส, งสูตรสาคัญสำคัญทั้งนั้น แ, แต่และสูตรแล้วเรเชื่อสูตรไหนอ่ะ น, นี่คือความโนิมน้าของที่ประทานเพราะเขาเรียกว่ามันเป็นนานาสังวาส น, นานาทิฏฐิมันเยอะเกินไปเราต้องพิสูจน์เท่านั้นถามว่า สิ่งเหล่านั้นมีหลากหลายมีเยอะแยะถูกหรือผิดไม่ถูกไม่ผิดแต่ว่าเราเป็นผู้พิสูจน์ถูกพิสูจน์ผิดเท่านั้นเองนะอาหารอาจจะเป็นอินกิลดีนหรือวัตถุดิบอันเดียวกันแต่วิธีปรุงอาจจะต่างกันก็ทําให้อิ่มได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะชอบรสไหนชอบวิธีไหนได้ปลามาตัวหนึ่งบางคนเอาไปปิ้งเรียบร้อยใช่ไหมแต่บางคนบอกเอาไปราบบางคนบอกเอาไปแกง บางคนเอาไปนึ่งบางคนเอาไปทําอะไรปลาตากปลาแห้งปลาป่นปลาแล้วก็ว่ากันไปปลาตัวเดียวกันนั่นแหละแต่วิธีการทําเป็นอาหารมันหลายอย่างอันไหนมันง่ายกว่าอันไหนมันเร็วกว่าอันไหนมันอร่อยอันไหนไม่อร่อยมันอยู่ตรงนั้นด้วยรายละเอียดของมันนะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะกลุ่มที่เก็บอารมณเมื่อวานก็จะลองให้เข้าทั้งวันดูตั้งแต่วันนี้หลังจากทานอาหารเสร็จนะก็เข้าปฏิบัติ ตั้งแต่ช่วงนี้จะไปถึงสักเท่าไหร่โ ม, มงเย็นเนาะแล้วก็กลุ่มที่ เ, เพนก็ต้องมารับปกติที่จะให้ไปส่ง <laughs> <laughs> จะให้ไปส่งก็ได้นะพินโตไม่มีนะก็ <laughs> มาทานเดียเด๋ยวๆนะจัดแล้วก็ไปนั่งทานที่ไหนก็ได้ก็มีละคันเขาเขามีละคันอ่ทานที่ไหนก็ได้ตัดแล้วคุณไปนั่งทานที่ ห้องโดยที่ซุ้มวัดหรืที่ขั้นตายนี้ก็ได้แล้วก็คนที่คนใหม่ก็วันนี้เราจะให้เก็บครึ่งวันดูเก็บข้างนอกอ น, นะแต่คนามจรเก็บในห้องก็ได้ห้องก็ห้องใครห้องมันอยู่เนาะเอาเก็บเอาเดี๋ยวจะถามก่อนว่าถ้าคนใหม่ที่จะลองเข้าเก็บตัวเนี่ยต้องการช่วงเช้าหรือช่วงหลังเพน ด, ดีลองเพนก็ยาวอยู่นะสีห้าชั่วโมงอืม เลยเขาอยากลองอถ้าจะเอาช่วงหลังเฟรนก็มาช่วงเช้าก็มาปฏิบัติที่นี่เจ้ก่อนหลังเฟรนเพิ่เข้าหรือจะเอาช่วงเชา้าหลังเฟรนมาปฏิบัติที่นี่เดี๋ยวจะต้องหาประชามติอีกทีหนึ่งว่าจะเอาแบบไหนบางคนอ้ยาวเกินไปหลวงพวอ่อเขาเอาช่วงเชา้าช่วงเ ช, ช้ชาแค่สชั่วโมงกว่าแต่ช่วงบ่ายมันตั้งสาสชั่วโมงฉันไม่ไหวนี่ก็ก็ดูอันที่อาจจะเลือกเป็นกรณีไปก็ได้นะนะก็ มีอะไรที่จะเหลือเวลาสนะีห้านาทีมีอะไรแยะสักถามไหที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมีข้อตรงไหนสงสัยบ้างไม่มีนะปัญหาสามข้อจำได้ดีนะจาได้แล้วเที่ยวต่อไปอย่าใค้าถามว่าจำไม่ได้ไม่เอานะต้องได้ <c oughs> เรามาหลายรอบแล้วนะเรามาหลายนะ <c oughs> โอเคนะเากลับภาพ้อมกัน <c oughs>